แนะนำบทอดัดคอบทอดุดคอเป็นบทมักกิยะมีห้าสิบเก้าองค์การที่กล่าวถึงเป้าหมายต่างๆของบทมัคิยาคือการให้เอกภาพสาลและการฟื้นผืนชีพเพื่อความมั่นคงแก่หลักอกคดะและให้หลักการอิมานมีความหนักแน่นบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงการปฏิหารซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลลอฮฺ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 เพื่อประทานคำพีฉบับสุดท้ายให้แก่ท่านนาวีมุฮัมมัดสุลลลัลวะวัสลัซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้ายบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาเชเวตที่มีต่ออัลกุรานนี้แล่ว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยและแคลงใจต่อเรื่องของอัลกุรานทั้งๆ ท, ท, ที่มีความกระจางแจ้งของมะดาองค์การและหลักฐานอันชัดเจน และบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษหนักหนุกบทนี้ได้กล่าวถึงฟิราลเอและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขาคือการลงโทษและสัญญา้ายนโยบยการฝ่าฝืนและการกระทำอาชญากรรมาากกและร่องรอยต่างๆซึ่งพวกเขาได้ทิ้งเอาไว้หลังจากความหายนะได้ประสบแก่พวกเขาเช่นพระราชวังคฤหัสถ์สวนดอกไม้สวนสาธารณะแม่น้ำลำาลาธาร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 ต่อท่านรสุรลสลุลล์สลลลวะไรวะสลัมแล้วล้อได้ส่งไอหมอกลงมาปกคลุมพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาเกือบจะรับความพินาศต่อมาพระองค์ส่งให้พวกเขารอดพน้นทั้งนี้เพราะด้วยความสิริมงคลแห่งการขอพรของท่านนาบีสลล ล, ละวะไรวะสลัม ด, ด้วยพระนามขอเล่าผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮาหมีขอสาบานด้วยคำเพียนชัดแจ้งอินนั้นเจ้ามีินคืนอันมุนดมร่นแ้้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญ แท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือนในคืนนั้นทุกๆ ก, กิจการที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้วโดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผูสส้ส่งศาสนทถูกมา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 พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าในสมัยก่อนแต่ถ้าว่าพวกเขากังวลอยู่ในการสงสัยส ด, ดังนั้นเจ้าจงคอยเฝ้าดูในวันที่ฉันฟ้าและนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน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 ร่าะก็ด้อูมุบีนตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไวทั้งๆ ท, ที่ได้มีรอซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมาอย่างพวกเขาแล้วุมมะจวแล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขาและพวกเขากล่าวว่าเขามุฮัมหมัดเป็นบ้าที่เคยได้รับการเสี่ยมสอง อแน่นอนเราจะปลดเปลืองการลงโทษนั้นให้พ้นไปจากพวกเจ้าชั่วขณะหนึ่งและพวกเขาจะกลับไปสู่สภาพเดิมวันที่จะปราพวกเขาอย่างจริงจัง แน่นอนเราไปพูดตอบแทนอย่างสาสมและโดยแน่นอนเราได้ทดสอบกลุ่มชนของฟิรอาวก่อนหน้าพวกเขาและได้มีรอซูลมูซาผู้มีเกียรติมาอย่างพวกเขาอันอนดูอิอยาแลยอิบาด้ลลุมอิรอาอนนละไุมีรอซูลมามีน โดยกล่าวว่าจงมั่วพวงเบาของอลัลลอฮ์ให้แก่ฉันแท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่านและพวกเจ้าอย่าทำตนเหนืออลัลลอะ์แท้จริงฉันได้มาหาพวกท่านด้วยหลักฐานอันชัดเจนะ จและแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้พวกเจ้าทำร้ายฉันได้วะอิและถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอยห่างออกไปจากฉันและถ้าพระผู้นเาทรงตรัสว่ และเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิดมมดงนั้นเจ้าจงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยพวงบ่าวของข้า พราะพวกเจ้าจะถูกติดตามอย่างแน่นอนและจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่งเหมือนเดิมเพราะแ ท, ท้จริงพวกเขาเป็นไพร่พลที่ถูกให้จมน้ำตายกี่มากน้อยแล้วที่พวกเขาได้ทิ้งสวนอันหลากหลายและนา้าพุหลายแหย่ง และเรื่องสวนไร่นาและอาคารระหโหฐานอันมีเกียรติและความสะดวกสบายที่พวกเขาร่าเริงเช่นนั้นแหละเราได้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบครองมาเข่นั่อแหละเราได้หมู่ชอืับมรดกครอบคมา และฉันฟ้าละแผ่นดินไม่ได้ร่าไห้เพราะเสียดายพวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้ถูกประวิงเวลาอ และโดยแน่นอนเราได้วงวานของอิสราเอลรอดพ้นจากการลงโทษที่น่าอัศูจากฟิรเราแท้จริงเขาเป็นผู้โอหังจากบรรดาผู้ฝ่าฝืน และโดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหนือประชาชาิทั้งหลายในยุคนั้นและด้วยความรอบรู้ของเขาและเราได้ประทานสัญญาณต่างๆแก่พวกเขาซึ่งในนั้นมีข้อทดสอบอย่างชัดแจ้งอินนาอูล่าูลูอินีอลาตตุนอลอวะมนะ์บิุชรีถ้าจริงชนเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า มันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเราและเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ะูบิอาบาอดีกดังนั้นจงนำบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกสิหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงดังนั้นจงนำบรรพบุรุษของเรากลัลลดีนมินกบวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง อินนะหุมกานูมุจริมีนพวกเขากุฟาตมักกาดีกว่าหรือหมูชนแห่งทุบบะชาวสบะแห่งเยเมยนและบดาหมูชนก่อนหน้าพวกเขานั้นเราได้ทำลายล้างพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นผู้กระทําความผิดว่ม้าขลักนัสสมาวาทวัลอร ض ว่าม้าใบนหมาลาอิบีน และเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างกล่าวประโยชะน์เราไม่ได้สร้างทั้งสองดังกล่าวนั้นเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความจริงแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้อินมในวันพัสมีาทุมอจม ถ้าจริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้สําหรับพวกเขาทั้งหมดวันที่ญาติสลิทจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่ญาตสิสนิทอีกคนหนึ่งได้และพวกเขาเองก็จะไม่ได้รับความช่ยวยเหลือ เว้นแต่ผู้ที่เอาล้อสรงเมตตาถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมออิ น, นชาเจรกมรมุลีนแท้จริงต้นลักกูจะเป็นอาหารของผู้ที่กระทำบาปลม uh ุีอิฟิลบุูนกลลลฮามีนเช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือดมันจะเดือดอยู่ในทอง เช่นการเดือดท้่านของน้ำร้อนอ ม, มีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่าจงจับเขาไปและลากเขาสู่กองไฟที่ลุกโช น, นและจงราดน้ำเดือดบนหัวของพวกเขาเป็นการลงโทษ ตรงลิมรสการลงโทษเถอะแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติแาาาท้ทรจริงนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัย แท้จริงบรรดาผู้ยังเกรงจะอยู่ในสถานอันที่สงบปลอดภัยแทมกลางสวนสวรรค์อันหลากหลายมีตาน้ำหลายแห่งพวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียด ผ้าไหมายาดนั่งหันหน้าเข้าหากันเช่นนั้นแหละเราจะให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาววัยรุ่นมีดวงตาสวยงามพวกเขาจะเรียกร้องผอลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างง่ายดาย ในสวนสวรรค์น si ั <entes> er ้นพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสแห่งความตายนอกจากความตายครั้งแรกในโลกดุญญาและพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกขอบรรลุพริดานั่นคือชัย โดยเป็นความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือความสาเร็จอันใหญ่หลวงแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายเป็นภาษาของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ใข่ค้นับตะริม ฉะนั้นจงคอยดูเถอะแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดูเช่นกัน